ในคืนที่นั่งสมาธิตลอดรุ่งนั้นท่านจะไม่ยอมให้มีการพลิกเปลี่ยนหรือขยับแข้งขาใดๆทั้งสิ้นเลยท่านเคยเล่าถึงความเจ็บปวดที่ได้รับจากการนั่งตลอดคืนเช่นนั้นให้ฟังว่า mm. เหมือนกับพ้นมันพองหมดกระดูกเหมือนจะแตกทุกข้อทุกท่อน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 ไม่ให้มีข้อแม้ใดๆเช่นปวดหนักปวดเบายากทายทายไปทายไปแล้วเราจะล้างไม่ได้หรอล้างไม่ได้ยาอยูย่ให้หนักศาบสนาตายเสียดีกว่าเพราะฉะนั้นจึงไม่มีข้อแม้แต่มันก็ไม่เคยปวดทายนะเรื่องปวดเบานี่ไม่มีละเพราะจีวรมันเปียกหมด